ตั่งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเ บ, บ, บาๆพอสบายสบายให้สังเกตให้ดีเราปฏิธรามตามนี้หรือเปล่า หลับตาเบาเบาพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้มตาเหมือนเปื้อๆตานิดๆถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วพอเราหลับตาเบาเบาสบายสบาย กล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะพ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดก็ปล่อยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายพ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขา ถึงปลายนิ้วทาว้ามันจะผ่อนคลายไปทงหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยาฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไม่ เรามก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระธนันตไตรในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วนะและความตายไม่มีนิมิตหมายดนะัะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจ แล้งานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบา ร, รมีเราจะได้ทำกันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบา ร, รมีเพราะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือทำความรู้สึก วันในกลางท้องเราน่ะมีดวงใสใสมีดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกร ะ, กระจกคันช่องสองนอนหน้าบ้างมันหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกิยาสิทธิ์ที่เจริญหนแล้วเป็นอย่างดี แล้วาก็เนิกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุง้ง ไปคิดเรื่องอื่นซึ่งการฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนี่มันทําให้เราไม่เจอความสุขติดแท้จริงกายมันก็ไปเบาใจก็ไปเบากายก็จะทึบติดตื้อตันตันแคบแคบอึดอัดไม่ขยายเป็นวิธีที่จะทําให้กายเบาใจเบาขยาย ต้องเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยหลักเป็นอยู่ตรงนี้เราสังเกตดูคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จ๊ะที่ท่านสอนให้คลายความผูกพันจากสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณครองบางไม่มีวิญญาณคลองบ้างอุปรสรรปัจจุบันก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั่นแหละ น, นํนำมาทำบังอะไรพวกนั้นให้ใคลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นผูกพันกับมันมากนักเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดกายก็ไม่เบาใจก็ไม่เบาขยายก็ไม่ข ย, ยายแสงสว่างภายในก็นไม่เห็นก็จะดำเนินชีวิตได้ไม่ถูกต้อง นั่นเราจะสังเกตคำสอนดูสิสอนทบทวนสิ่งของดูตั้งแต่ร่างกายเราออกไปจะเอาจากข้างในออกไปข้างนอกก็ได้แล้วพิจารณาข้างนอกกัมามหาข้างในก็ได้ข้างในแล้วก็ดูกายของเราเป็นเกณฑ์ผมขนเละฟันหนังทั้งเนื้อทั้งตัวมันก็จะเสื่อมจะพุจะพังลงไปไม่ว่าจะซอบแซมส่งเสริอมอะไรก็แล้วแต่ ร้างเสริมขึ้นมามันก็ผุก็พังแปลว่ามันไม่ยั่งยืนไม่ไม่คงทนลุ่ยไปสู่จุดสลายจึงต้องคลายความผูกพันร่างกายก็ราเป็นอย่างนี้เสื้อผ้ารองเท้าแว่นตาปากกาเครื่องประดับเพรพลอยก็เหมือนกันแหละผุพังนี่เขเรียกว่านึกจากข้างในไปข้างนอก มาที่บ้านเราบ้านเลยจากเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้อะไรต่างๆเราั้วยตีในตัวเราออกไปมนกพังนะะบ้านเอ้ยรถเอ้ยทรัพย์สินเงินทองลัวบ้านเพื่อนผ่านรถหน้าผ่านก็ขยายไปเรื่อยๆกระทั่งทั้งหมู่บ้าน ตำบนอำเบอจังหวัดประเทศนานาชาติตุลกจักรวาลต่างๆผูพังหมดท่านสอนในคลายความผูกพันเพราว่าไปนึกถึงมันก็ไม่เกิดประโยชน์าจาตใจไปวนๆอยู่กับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เกิดประโยชน์อะไรวนๆมันก็หมดไปชาติหนึ่ง แล้วเป็นนึกถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันอยู่ข้างนอกตัวเราใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกายมันไม่เบาใจไม่เบาไม่โล่งไม่โปรไม่เบาไม่สบายไม่ขยายไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นดวงธรรมไม่เห็นกายในกายไม่เห็นพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละที่ท่านสี่สิบภาภาษา่นก็สอนวนๆอยู่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ จะมาลงตรงนี้เกิดขึ้นทางอยู่เสื่อมสดายเป็นธรรมดาเป็นอ น, นดิจังทุกขังนัตตากรบบนอย่างนี้เพราะเรานึกทีนี้บ่อยๆเนี่ยก่อนนั่งนาทีเดียวมันก็นึกจบแล้วว่าทั้งหมดผูกพังแม้แต่ร่างกายเราเพราะนั้นอะไรก็พังหมดก็จะได้คลายใัจจคลายความผูกพันจากภายนอกซึ่งหลักใหญ่ๆก็มี สิ่งที่มารวมกันเป็นก้อนเป็นรูปเป็นล่างกระเรียกรูปเสียงมังกรินมังรถมังกรบัดมังกรธรรมอรมณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นจะเรียวกว่าเบญจกามคุณพอละคลายความผูกพันแล้วนั้นมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หยุดนิ่งๆหยุดภายในพอหยุดนิ่งอยู่ภายในทูกส่วนเขา้า ความสว่างมันก็เกิดร่องอรุณแห่งการเดินทางเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างภายในก็เรืองรองสว่างสวัยขึ้นใจก็จะใสไปเรื่อยๆใจใสเนี่ยมันมาเพราะความรู้สึกที่ใสๆคือเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นม ล, ลทิน เป็นบาปอากุศลธรรมเราจะรู้สึกเหมือนเราได้หลุดล่อนออกจากสิ่งที่ผิดพลาดผ่านมาอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเป็นสรารภาพบาปอะไรกับใครเนะี่ยรู้สึกบาปกรรมอะไรต่างๆมันจะถูกถอดออกไปเมื่อใจมันใสมันหยุดมันนิ่งมันใสมันสว่าง แล้วมันก็จะเห็นไปตามลำดับยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยัง้งแล้วก็เกิดพลังในการสร้างความดีใจ ก, ก็จะละเอียดลุ่มลึกกับไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดก็ยิ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์จึกทั้งเราเห็นความบริสุทธิ์ของใจเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นตรงกลาง เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ที่เลยความรู้สึกว่าบริสุทธิ์จะเห็นแจ้งนมาอออความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างนี้จะเป็นดวงใ ส, ใสที่ประกอบจะเห็นจำคิดรู้รวมเป็นดวงเดียวกันซ้อนกันอยู่ใสนี่ความรู้สึกว่าหลุดล่อนจากบาปเนี่ยมันจะ เกิดขึ้นไปสาราพัดไปไหนมันก็ไม่หมดหรอกไปลำพึงลําพันธ์กายช่วยเราไม่ได้นอกจากเพ้อเพฝันฝันกันไปเลื่อนลอยตามสมมุติฐานที่ตั้งเอาไว้ทีนี้มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราและเรารู้สึกขึ้นมาเองด้วยเพราะมันบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หลุดล่อนไปเรื่อย เหมือนมะขามนะเน่ยเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันแล้วเหมือนเงาะเงาะที่เรารับประทานนะ่ยมันเนื้อกับเปลือกไม่ติดกันอันนี้ก็มันก็นมาล่อนจากใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดแต่บางทีก็มาสะดุดตรงนี้คือเราหยุดนิ่งเดยในระดับหนึ่งฟุ้งก็ไม่ฟุ้ง แต่มันไม่มีอะไรใหม่ๆม่าให้ดูนะไม่มันนิ่งเเฉยเหมือนจระเข้กบดานอะไรนะตื๊อตื่อตันตันต น, นั่นกัเราเรามีความตั้งใจมากเกินไปนะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอะไรเกินไปความอยากจะเห็นแล้วเขาจะใช้ตอนก่อนนั่ง แต่เวลานั่งนก็ใช้ความหยุดหยุดความอยากอยากเป็นสมุทยให้เป็นบกเกิดแห่งความทุกข์แม่อยากจะเห็นธรรมะกระตามซึ่งจิตเป็นกุศลธรรมแต่เจอือไปดิโมหะคือความรู้ที่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเนี่ยพะสบการภายในจึงไม่มีอะไรใหม่ให้ดู เพราะเรามีความอยากเข้าไปเชื่ออยู่โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเรารู้ว่าจะเห็นธรรมะแล้วดีเดี๋ยวไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆของพรสะสรรมาสทดเจ้าที่ท่านไปรู้ไปเห็นได้เราเลยอยากได้มากเกินไปเพราะอยากทแท้ๆเนี่ยทาให้แย่อยู่ทุกวันนี่แหละมันต้องหยุดอย่างเดียว ไม่มีอะไรใหม่หรือแม้มีอะไรใหม่นีก็ยังหยุดเฉยๆไม่มีอะไรใหม่ให้เราดูเราก็นิ่งเฉยๆก็ช่างมันไม่ได้แปลว่าเรานั่งละศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ก้าวหน้าหนังคิดไปเองทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งความรู้สุดจะถูกสั่งสมไปทีเล็ก ท, ลกทีละน้อย ใจจะถูกขัดกราบกรองแล้วก็กลั่นให้ใสขึ้นสมาธิก็จะค่ายๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนปลวกที่คนดินเขามาก่อเป็นจอมปลวกเวลาลดน้ําที่โคนต้นไม้ต้นไม้เจริญขึ้นทุกวันแต่เราสังเกตเมื่อออกมันมันโตขึ้นมาละเซนหรือสองเซนหรือไม่ถึงเซนอะไรอย่างนี้ แต่เพลอไปเดียวเดียวมันก็มีผลให้เราได้ชื่นใจในลิมรสการทำสมาธิภาวนาเสมือนกันเรามีหน้าที่คือหลับตาเบาๆพอนคลายสบายรักษาใจหยุดให้หนึ่งเฉย อ, อย่าไปคำนึงถึงการเห็นหรือไม่เห็นเกินไมอย่าไปคำนึงวัน ต้องสว่างมันไม่ควรมืดเรามีนาทีหยุดหยุดไปกระทั่งใจจะถูกส่วนไปเองคำว่าเองนี่ไม่ได้แปลว่าเราไปทำให้มันเกิดขึ้นมันจะถูกส่วนไปเองแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆจนเป็นภาษีจนยำนานตอนนี้เราทำให้มันเกิดขึ้นได้ แต่ในขั้นตอนนี้เรายังไม่จำนานยังจับจุดไม่ได้เราก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ได้อย่างถาวรตลอดกาลนานก็ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงเราก็ต้องปรับวิธีการนึกทบทวนคำแนะนำอะไรต่างๆ ท, ที่ผ่านมาที่เราฟังผ่านๆไป หรือจำได้ชั่วคราวพอถึงเวลามีประสบการณ์อย่างนี้จริงๆแล้วเราลืมอดจะลุ้นเร่งเพลงจ้องไม่ได้แล้วก็ต้องรีบแก้ไขเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะทำอย่างนั้นก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่อย่างง่ายๆทำใจให้เหมือนเด็กๆ i n n โน e n นไม่ได้คิดอะไร ให้เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มตนใหม่แล้วก็ฝึกการหยุดใจไปนิ่งนิ่งเราจะไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกๆประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องชื่นบานอยู่ตลอดเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์แม้ความมืดภายในหรือไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูหยุดก็นิ่งอย่างเดียว ชื่อแต่นะลูกนะเพราะคำนี้เปรียบคุหลงปู่ของเราพระมงคลเทพบุตีสดจันทัศผู้คนพบวฟิชาธรรมกายทั้งกลาเอาไว้ซึ่งถอดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาระสมณะหยุดแล้วในที่นี้หยุดใจภายในไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวของกายนัจ้านิก็ตั้งหยุดอย่างเดียวนิ่ง นุ่มๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแล้วนั่งอย่างนั้นไปก่อนให้มีปิติสุขกับการนั่งให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเองเพราะสิ่งที่เราอยากจะเห็นมันมีอยู่แล้วทำ ถ, ถูกหลักวิชามันก็เห็นความสุขกับการเห็นอยู่ในกรรมมือเรานะ ขอเพียงให้นางหลับตาท้าไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธรรมเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เงินซื้อไม่ได้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานได้เป็นความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่ไม่พยองแต่ว่าเยือกเย็ยนสุขใจ เบิกบานใจและก็มีแต่ความรักระหว่างดีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงเพราะนั้นฝึกตรงนี้ให้ได้ฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกให้ใจใสใสหยุดใจนิ่งให้ใสใสปรับให้มันถูกหลักวิชาเนี่ยนทบทวตั้งแต่ ปิดเปลือกตาเพราะหลับตาเป็นมันต้องเห็นภาพภายในไม่เห็นเป็นไม่มีไม่เห็นเป็นไปได้อย่างไรมันมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าหลับตาเป็นหลับตาเป็นผ่อนคลายสบายหยุดใจนิ่ง เ, ยเฉยๆหลักการก็มีแค่นี้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไป มีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเฉยๆ เ, เรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคือไม่มีความคิดเลยแปลว่าเรากำลังเรียนแบบนักเรียนอนุบาลไม่ใช่นักศึกษาปริญญาเอกที่กำลังวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ไม่ใช่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราอยู่ในระดับที่ว่าฝึกหยุดให้มันเป็นในขั้นของอนุบาลและอนุบาลของชีวิตนี้ระหยุดเป็นแล้วเนี่ยถือว่าจบหลักสูตรได้ด็อกเตอร์เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้ทุกสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านั้นนี่ใช่ วิชาชีวิตนี้เนี่ยสำคัญมากที่เราต้องให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ยิ่งกว่า ส, สิ่งอื่นสิ่งอื่นแค่เป็นเครื่องอาศัยของเราโชโวคราภปรเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละแล้วก็พัดพลาดกันไปไม่อเราพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็พัดพราดจากเราไปก่อนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมา ไม่ในชาปุบันนี้ก็เช่นเดียวกันทำอย่างนี้แล้วใจจะใสไม่ผูกพันกับสิ่งใดมันจะหยุดจะนิ่งอย่างเดียวและอย่างดีด้วยหยุดนิ่งอย่างเดียวและหยุดอย่างดีที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขภายในยืนยันพุทธพทธิวาติสันติปรังสุขขัง ได้เป็นอย่างดีเลยประสุขอื่ น, นอกจากหยุดจากนิ่งเป็นไม่มีด้านฝึกตรงนี้นะจะฝึกไปทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสขับถ่ายเอ็กซ์ไซส์อะไรเราก็ทำไปทำไปจนกระทั่งติดเป็นนิสัยมันจะไม่ได้ก็ให้มันรู้ไป น่าจะคนบ้ากับคนไม่ได้ทําปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละแลก็สูญเสียระบบประสาทในการรับรู้คนตายแล้วทำไม่ได้เรายังมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดทั้งร่างกายและจิตใจเรามีโน้ตฮมีวิธีการความรู้ที่ยิ่งใหญ่เรามีศูนย์กลางกายเรามีใจ เรามีประสบการณ์ภายในที่เราคอยเราอยู่และเราก็ได้ยินได้ฟังเพื่อนนักเรียนอนุบาลฟันได้ฟันวิทยาได้มาแบ่งปันประสบการณ์ภายในเปิดเผยเราได้รับทราบทั้งกระหัสและบรรพชิตทุกเพศทุกวัยนะได้ยินได้เห็นจนเจนปาขุนหูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มี เรานั้นพยายามฝึกไปในลวงนะในทุกอริยบทในทุกสถานการณ์ดินอากาศฟ้าจะเป็นยังไงกระชัางมันเราจะเป็นเปลีป่ย น, นแปลงสิ่งเหล่านั้ น, นาคงได้ยากแต่ว่าเรามาปรับที่ใจของเราให้สามารถอยู่เหนือในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้และจะมีสุขเหมือนจุดเย็นในกลางเตาหลอมนั่นแหละ จะมีความเย็นกายเย็นใจส บ, บายอกส บ, บายใจซึ่งเป็นต้นต่างที่จะเข้าถึงพรระัตนาไตรในตัวในดังนั้นก็ฝึกกันไปเรื่อยการหยุดใจเนี่ยจะกรบไปเชื่อม บ, บุญเก่าที่เราทำผ่านมานบพบนุชาไปทั่วไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญปานกลางบุญน้อยบุญอะไรในบุญยักเรียวัตุ1ิบประการ หรือในบารมีสามสิบทัศอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะมาเชื่อมกันเป็นโดงบนีน่หานแน่นที่จะไปตัดหลอนวิบากกรรมวิบากมาในมันหมดสิ้นไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายในหลายๆวิบากกรรมที่เป็นผังสำเร็จติดตัวเรามาขาบุญนี้ก็จะได้ไปตั้งผังใหม่ หรือผังเก่าตั้งผังใหม่ออกแบบชีวิตให้เรามีรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติที่สมบูรณ์กว่าในภพนีจชาตินี้ที่จะเกือ้อกูลต่อการสร้างบารมีของเราในภพชาติต่อไปแม้บุญนี้จะเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้มติอยู่ที่กลางกายเรา จะได้ไปดึงดูทรัพยาบมาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนละในทุกสิ่งทุกโศกรบอะไรต่างต่างหนักก็เป็นเบาๆบาก็จะหายมันก็จะดีทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประคับประคองใจไปฝึก ไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ